ทุกทุกท่านที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนาล้วนแล้วจะออกมาจากคนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนำเอาร่างกายของคนร่างกายของชาวบ้านนั่นแหละมาเป็นพระ การนำร่างกายของคนมาเป็นพระคือเป็นพระด้วยเจกนาวิรัตน์งดเว้นในสิ่งที่คารวสหรือคนทั้งหลายเขาทำอันเห็นว่าเป็นการขัด ต่อความเป็นพระเพศของพระการปฏิบัติของพระ <c oughs> เหล่านี้งดทั้งหมดจึงเรียกว่าพระโดยสมบูรณ์ทั้งการบวชก็ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเป็นสมบัติหมดทุกอาการแห่งการบวชไม่ได้เป็นวิบัติ แม้ข้อใดข้อหนึ่งก็เคลือบแฝงเลยจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติต น, ตนตามหน้าที่ของพระนี่แหละพระทิ่นำออกจากคนของคารวามาเป็นพระเป็นสมมุติขั้นหนึ่งโลกก็ทราบกันโดยทั่วถึงว่า น, นี่คือเพศของพระ เราเองก็ทราบภายในใจของเราการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เป็นไปตามร่องรอยของพระโดยแท้จริงตามหลักศาสดาที่ประทานไว้นั้นต้องถือว่าเป็นภาระของนักบวชทุกๆ ท, ท่านเฉพาะอย่างยิ่งทานทั้งหลายเข้ามาอยู่ในสถานที่นี จึงมาจากติณฐานบ้านเดิมของตนทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลมุล่งเยตนาเป็นอย่างเดียวกันคือบวชมาเพื่อทำธรระสัสางกิเลสคําว่ากิเลสกิเลสนั้นเป็นชื่อธรรมธรรมหรือทางศาสนาท่านตั้งไว้เป็นคู่เคียงกับธรรมกิเลสเป็น สิ่งที่เป็นภยัยทาเป็นคุณนำคุณเข้ามาชำระโทษซึ่งมีอยู่แล้วภายในกายวาจาใจของตนและระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกั น, นไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังชำระศาสางโทษที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจมาดั่งเดิมนี้ ให้หมดไปโดยลาดับลมดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธ เ, ทเจ้าเรื่อยมาจนปัจจุบันวิธีการเหล่านี้แหลเป็นวิธีการที่ทาละศาสสังวิรลศให้หมดไปได้โดยถูกต้องด้วยเหตุนี้จงพากัน มีความหนักแน่นเชื่อมั่นในพระโอาวาทของพระพุทธเจา้าอันเป็นทางดำเนินถ้าเป็นเรือก็ต้องพึ่งเป็นพึ่งตายกับเรือเป็นข้อปฏิบตัติออกจากพระโอาวาทก็ต้องหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอาวาทนี้เท่านั้นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องแฝงเข้ามาหยิบขวางทางเดิน ของเราที่เป็นไปตามพระโอวาสนี้รงถือว่าสิ่งนั้นเป็นไยัยต่อตนด้วยและยังจะระบาดสา์กระจายไปกว้างแคบไม่มีประมาณอีกด้วยโดยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติระหวังมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นคุณค่าของพระคุณค่าของเราซึ่งเป็นพระนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่ประทานไวน้นี้จะเป็นผู้ทรงคุณค่าไว้ตั้งแต่ตนจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยและเป็นเครื่องประจักษ์กับตนด้วยว่ามีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือ พราข้อวัดปฏิบัติการดําเนินของเรานิสัยเดิมเป็นสิ่งสําคัญมากอยาเข้าใจว่านิสัยนั้นจะไม่ติดแนบมาด้วยกับเราแต่ละรายลลายนี่เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากข้อเพราะได้โอกาสจะต้องออกก่อนเพื่อนฝูงไม่สําคัญที่ว่าเป็นตัว ตัวเล็กหรือตัวใหญ่สําคัญที่อยู่ปากข้อคลอยออกได้ง่า ย, ายอันนี้นิสัยอันเป็นสิ่งไม่ดีมันอยู่ปากข้อปากข้อของใจพอเผลอเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเปิดประตูจะออกมาทันทีทันใดเผลอไปมากเท่าไหร่หรือคล้อยตามไปท่าไหรยิ่งลังไหลออกมาหมดทั้งข้อ ถ้าเป็นวัวก็หมดทั้งข้ อ, อเหลือแต่ข้อเก่าๆภายในใจนี้ก <c oughs> ิเลสออกนั้นไม่ใช่ออกไปอะไรออกไปกว้านเอาสิ่งเข้ามาเหยียบย่าทำลายทำซึ่งจะมีอยู่ภายในใจมีให้เหือดแห้งไปหมดไม่มีทำเครื่องทุ่มเย็น อยู่ภายในจิตใจนั้นได้เลยความเผอความคล้อยตามนิสัยยังไม่ใช่เป็นของหนึ้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดสุ ข, ขุมมากทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายที่เหลือผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหมายของพระองค์ หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงได้โดยสมบูรณ์นอกจากการปฏิบัตินี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทราบความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แหละคือการพิสูจน์ความจริงในธรรมทั้งหลายแตาะ อ, อย่างยิ่งก็คือในตัวของเราเองธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่ เพรโทษเกิดอยู่ที่นี่อยู่แล้วการชำระสาสางโทษให้หมดไปโดยลําดับก็คือการส่งเสริมหรือผิดทําให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนี่เป็นหลักสําคัญ <c oughs> พิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาตั้งกับตั้งกันจนไม่สามารถจะทราบต้นสายปลายทางของมัน มีเกิดมีตายสูงสูงลำต่ำรุ่มรุ่ ม, มดอนดอเปลี่ยนภกเปลี่ยนชาติเป็นภกนั้นเป็นชาตินี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลสูงสูงต่ำต่ ำ, ตำอยู่อย่างนี้ด้วยมาไม่มีเวลาหยุดยั้ยงเพราะเชื้อที่พาให้เป็นไปพาให้เกิดพาให้เปลี่ยนแปลงในภกชาตินั้นๆมันอยู่ทับจิตเรียกว่าเชื้อไล่แลก่อวิชาปฏิยาซ้ำฆ่าไดาสิ่งที่แฝงไป ก <c oughs> ับเชื่อนั้นก็ได้แก่การทำดีทำชั่วจึงมีวิบากสุขทุกขแฝงกันไปด้วยเหตุนี้พบชาติจึงไม่สมั่งเสมอในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เพราะกิเลสไม่พาให้เป็นความแน่นอนได้นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นตามธรรมชาติของวัตตจักรต้องหมุนเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอหมุนไปด้วยอนิจังทุกขังอนัตตา นี่เป็นตัวของกิเลสวัตจักโดยสมบรูรณ์ทีกลามาทั้งหมดนี้อยู่ในจิตแต่ละดวงละดวงเห็นเรานั่งฟังอยู่เวลานี้กิเลสก็ฟังด้วยธรรมก็ฟังด้วยดีไมด่ดีกิเลสจะได้ผลมากยิ่งกว่าธรรมภายในใจดวงเดียวนี้ เพราะธรรมชาตินี้ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าสติปัญญาของเราจะสามารถทราบได้ในขณะนั้นๆโดยเหตุนี้จึงต้องใช้สติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรหมุนตัวเข้าไปอยู่เสมอยาลดละความภาคเพียอเพื่อจะพิสูจน์ห้เห็นจิตนี้ว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ขึ้นมาเพื่อแลงกับจิตจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไรท่านให้ชื่อว่ากิเลส ตามหลักธรรมให้ชื่อว่ากิเลสมันแปลว่าความเศร้าหมองไม่ว่าสิ่งใดถ้าลงเศร้าหมองแล้วไม่ดีทั้งนั้นเครื่องใช้ไม่สอยยังนุ่มห่มที่เกี่ยวข้องกับเราขึ้นชื่อว่าเศร้าหมองแล้วไม่ดีนอกจากมีความปสปร่งัยหรือสะอาดสวยงามเท่านั้นก <c oughs> ิเลสแทรกอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเศร้าหมองแทรกส่วนในกิตนั้นไม่ต้องพูดแล้ว มันฝังจมอยู่ด้วยกิเลสกิเลสกับจิตจนกลมตึงเป็นอันเดียวกันทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทาให้เป็นความเศร้าหมองไปหมดไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทําสิ่ง น, นั้นให้เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับบุคคลก็ให้รับความเศร้าหมองไป ต, ตามๆกันจากเศร้าหมองก็มืดตืผลทของมันก็คือความทุกข์ตั้งแต่น้อยไปถึงความทุกข์ใหญ่เรียกว่ามหันตทุกเกิดขึ้นเพราะอํานาจของกิเลสนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกิดเพราะ อำนา จ, จสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสามโลกธาตุนี้ก <c oughs> ารที่จะแก้ไขถอดถอนหรือกาจัดทรกฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจนี้ให้ออกได้โดยลาดับนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่จะหนักเบาเพียงไรก็ตาม ถ้าเราได้เชื่อาศาสนายุทธพุทธธรรมสงฝังใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องความเพียรจะหมุนตัวไปเองทุกยากลําบากเพียงไรไม่ถือเป็นประมาณไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นทางเดินของเจตเด็ชที่จะคอยกิดฝังอยู่เสมอถ่านจะทําความดีแล้วไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องถูกกิดวังจากมานซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตดวงเดียวกันนั่นแหละโดยไม่ละเว้น ได้โอกาสเมื่อไรเป็นแทกเป็นสินเป็นขีดเป็นขวางกันทั้งนั้นจึงเรียกว่ามาริกเรตสมารก็ขวางจิตใจที่เยื่เนินตนไปด้วยความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เสมอมาอา้านะักปฏิบัติพิสูจน์ท่าเห็นเรื่องจิตเป็นอย่างไรการเรียนรู้ตามตำรับตำลานั้นเราท่านทั้งหลายได้เรียนกันมาพอสมควรไม่เป็นการประมา ปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามนี้เป็นเกลียวเดียวกันฟันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวกันแยกจากกันไม่ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเอกเทศเป็นเอกเป็นโทเฉพาะตัวอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทั้งสามนี้กลมกลืนปนกันมากน้อยเทียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิปฏิเวทปฏิเวทโดยลําดับตรรดา ข, ขึ้นไปนี่เราเข้ามาสู่ภาพปฏิบัติ เพื่อจะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเราจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามมากกหกเราได้อย่างไรของมีอยู่กับเรามีอยู่กับเขามีอยู่กับเราด้วยกันมากกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ให้เห็นจริงจังเด็กนักปฏิบัตินิเรศมันสังจมลงไปไม่มองเห็นความจริงได้เลยเรายังยอมมันอยู่ตลอดเชื่อมันอยู่ตลอดถ้ามาเอาทำเข้าไปแก้ เข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่เห็นความจริงและไม่เห็นความจำปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนี้และหลอกอยู่ตลอดเวลาเป็นการเกิดการตายนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ภายในจะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ให้เป็นอย่างอื่นอย่างไร น, นอกจากเกิดตายเกิดตายนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเครื่องบังคับ ให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับใจอยู่แล้วเราจะลบล้างไปไหนลบล้างความจริงอันนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสมุทัยพาให้เกิดผลของนันก็คือตายในลำดับลำดายแห่งภพชาตินั้นๆที่สืบต่อกันไปโดยลาดับในธาตุในขันก็มีความทุกข์ติดแนบไปด้วยตลอดถึงอวสานแห่งภพชาตินั้นๆนักต่อกอใหม่ขึ้นมาได้ด้วยนี่ คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั่นแหละพาให้เป็นปลายภาใน จ, ใจิตใจไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดสัตว์โลกจึงต้องมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้เป็นประจำเมื่อกิกเลสยังมีฝังอยู่ภายในใจแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ว่าตายแล้วศูนย์เพราะว่าตามความมืดดำ ของตนด้นดาวเกาหมัดไปอย่างนั้นไม่ใช่พูดตามหลักความจริงกิเลสมันศูนที่ไหนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั้นยังไม่เห็นอยู่เลยะถ้ากิเลสศูนไปแล้วไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเลยนั้นตายแล้วก็ศูนแบบพระนิพพานไม่ได้ศูนไปตามกิเลส ตามที่เด็ดคือศูนย์แบบโลกสมมติด้นเดากันไปศูนย์แบบเพลยพานคือศูนย์เรือความบริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สมมติทั้งมวลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้าการกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้พิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่กับเรากับท่านทุกๆองค์ทุกๆรูปทุกหนาอย่าให้คนอื่นคนใดมาโกหกได้มีด้วยกัน สิ่งเหล่านี้โกหกกันได้อย่างไรพิสูจน์ต้องให้เห็นความจริงเริ่มต้นตั้งแต่ยิตตะภาว น, นาสมาธิปัตสนาการทำจิตให้สงบก็เพื่อจะให้กระแสจิตซึ่งสร้างไปด้วยอำนาจของจิตตัญหารวมตัวเข้ามาสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบนิเรเลกก็สงบไปตามไม่ก่อควรในเวลานั้น จิตก็พอได้พักผ่อนย่อนตัวเองมีความสุขกานสบายคลี่คลายตัวเองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสงบและเห็นความฟุ้งซ่านโทษในความฟุ้งซ่านก็ได้เห็นในขณะที่จิตสงบคุณค่าของความสงบของจิตก็ได้รู้ประจักษ์กับใจเพราะการปฏิบัตินี่เป็นขั้ น, นทำให้สงบได้ทำไมสงบไม่ได้จิต เยติมทำให้สงบไม่ได้เพราะกําลังของกิเลสมันมากยิ่งกว่ากําลังของธรรมที่เขปราบปรามเครื่องกันกันให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้นเมื่อได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสมันจะพ า, พาหอเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญาก็อยู่ที่ใจศรัทธาความเพียรความอดความทนความต่อสู้กันก็นอยู่ที่ใจดงเดียวกันมันจะาห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนกิเลสพาจิต เห่อเฮินไปไหนชาติปัญญาเครื่องฝึกเครื่องทรมานเครื่องต้านทานกีดกันหรือต่อสู้กับพิเดชจึงจะตามกันไม่ทันนอกจากไม่ผิดขึ้นมาใช้เท่านั้นเพราะมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เอาให้จริงให้จังสิงนักปฏิบัติธรรมมากของพระพุทธเจ้า น, นับตั้งแต่มากขึนขนข้นไปจนกระทัง่งถึงผลและถึงผลอันสูงสุดประกาศความจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไม่ได้บกพร่องที่ตรงไหน เพียงแต่ว่าเปิดสิ่งที่มืดดำอยุ่อันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ข้างบนนี้ออกไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นเราจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นกระแสแห่งความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมาให้ได้ชมเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาจิต ม, มีความสงบการสงบนั้นมีหลายอาการ ยาสำคัญม่นหมายกับผู้นั้นผู้นี้ยึดมาเป็นสมบัติของตัวนั้นไม่ถูกจะสงบแบบไหนก็ผลก็ต้องทราบชัดๆว่านี่คือจิตสงบไม่วุ่นวายสงบอย่างแนบแน่นก็ทราบสงบอยู่ในวงจิตโดยเฉพาะแต่มีความคิดตรงได้อยู่อย่างละเอียดอดอดได้อยู่อย่างนี้ก็ทราบนี่ก็เรียวกว่าสงบ เ่าจะไปคาด ต, ตามที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติมาภาคไปคาดในขณะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกการปฏิบัติก็ต้องให้อยู่หยุอยู่ในวงปัจจุบันไม่ต้องไปคาดที่โน่นที่นี่หลักยึดของวงปัจจุบันก็ได้แก่อารมณ์ของสมถะจะเป็นบทใดก็ตามในสมถะที่ท่านกล่าวไว้สี่สิบประการนั้นมีอนาปาณาติเป็นต้น กำหนดลมก็ให้ลมรู้อยู่กับลมขณะที่ลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกส่วนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูกเป็นที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนกําหนดความรู้ด้วยความมีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นบังคับให้ทรงสายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทํานี้งานนี้แหละเป็นเครื่องที่จะบังคับความพุ่งช่านของจิตให้อยู่ในความสงบได้ ด้วยอำนาจแห่งงานนี้คืออนาปานาสติที่ควบคุมด้วยสตินี่แหละเป็นคําบริกรรมก็เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่สติถ้าจิตมันยับออกโน้นยับออกนี่ได้อยู่ํำบริกรรมก็ต้องถี่ยิบเข้าไปโดยลำดับเพื่อให้ทันไม่ให้มีโอกาสตรงได้หนักก็หนกักเพราะต่อสู้กันนี่พิเรศไม่เหน็นว่ามันว่ามันหนักไปเบาไปมันทำไมมันสู้เรได้ตลอดเลา เวลาเราจะสู้กับกิเลสทําไมจริงะว่าเห็นหาว่าหนักไปเบาไปไม่ใช่ยืน่นตาใมันฟันคอเอาแล้วเหรอนี่แหละคนวางกิเลสมันเร็วอย่างนี้เราไม่ทันตั้งจิตให้อยู่ในนั้นจิตจะสงบตัวเข้ามานี่แหละพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบหรือเหตุอันสาคัญที่จะให้จิตเกิดความสงบเห็นประจักษ์ภายในตนได้เพราะการภาวนาดังที่กล่าวมา น, นี้ ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้จิตมีความสงบตัวพอสมงวรจะพิจรารณาทางด้านปัญญาในแงน่ใดควรก็ควรพิจรารณาไม่ควรนอนใจกับความสงบเพียงเท่านั้นตามขั้นของสมถะซึ่งเป็นบาดฐานของอิปัสิญาได้แต่ปัญญาเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจิตไม่พาจิตให้เป็นปัญญาไม่เป็น ต้องพาคิดก่อนในเบื้องต้นหาอุบายพินิจพิจารณาเทียบเทียงเหตุผลต้นปลายใกล้ไกลในนอกมาบวกกันเข้าแล้จะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลําดับเห็นอนิจังมีได้ทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันได้เนี่ยเรียกว่าบวกกันเข้ามาภายนอกมาบวกกับภายในในตัวของเรานี่เป็นอย่างไงเหมือนกันกับภายนอกไหมนาภายในออกไปบวกกับภายนอกเหมือนกันไหมเทียบเคียงกันกับภายนอก ภายนอกเข้ามาเทียบเ ก, กับภายในเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่แล้วนี่เรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้แต่เพราะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะเป็นสิ่งจําเป็นมากสำหรับจิตของเราที่ยังมีความหยากอยู่มากนี่มากจะเป็นจิตที่ธาโทนเป็นจิตที่อยาบโลนเป็นจิตที่ชอบทะเลถลาย บังคับได้ยากจึงต้องใช้อารมณ์ของอสุภะอสุภังการพิจารณาร่างกายพิจารณาข้างนอกก่อนนั่นะสำคัญมีความติดพันในรูปใดแต่เพราะยังยิ่งก็รูปตรงกันข้ามแยกแยะดูตามหลักความจริงอย่าให้จิเรนลากไป ดูไปสวยงามไปน่ารักน่าชอบใจน่ากำลัดยินดีนั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจให้เป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันปลอมร้อยเปอเซ็นต์มันก็ยอมรับเพราะจิตไม่มีสมบัติเป็นของตัวอาศัยกิเลสมาเป็นสมบัติมันจึงกลายเป็นยาพิษเผาลุกจิตใจตลอดมาหาได้ทราบไม่ว่ากิเลสนั่นคือยาพิษเราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสจะ ก, กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว ความรักเกิดขึ้นมันเป็นสุขที่ไหนความชังเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเป็นสุขที่ไหนความไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธต่างหากเป็นความสุขความสบายความไม่กระเพื่อมขุนัวตัวเองก่อนอื่นเราต้องพิจารณาแก้กันในจุดนี้ก่อนเรื่องอาสุภาอาสุพังยกร่างไหนออกมาก็ให้มันเห็นเป็นร่าง ผีดิบไปหมดพีจัรนานแล้วผีจะเล่าแล้วเทียบเข้ามาภายในแยกส่วนแบ่งส่วนเลือให้ตาแล้วเน่าพองหนองน้ำหนองไหลออกมาให้เห็นถ้าเจอ น, นั่นแหละคือความจริงเราปรุงออกมาจากความจริงทั้งขานร่างกายเอาหาดูที่หางามที่ตรงไหนสวยที่ตรงไหนน่ารักใครชอบใจที่ตรงไหนหญิงมีอยู่ตรงไหนชายมีอยู่ตรงไหน ดูให้เห็นตามหลักความจริงมันไม่มีมีตามขั้นของความจริงก็คือมีแต่กองอัจฉริะอัจฉริยะเต็มหมดทั้งข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวกันมีหนังบางๆเท่า น, านั้นหุ้มห่อไว้บริหลุดตาทางก็หลงกันได้เพราะมันมีชั้วแห่งความหลงเต็มอยู่ภายในาจิตใจอยู่แล้วจําไม่หลงได้ยังไงปกติมันก็คอยจะหลงอยู่แล้วอืยิ่งมีสิ่งมาเสริมให้หลงมันก็ยิ่งหลงไปได้เร็วตามไปได้เร็ว เพราะฉะนนจึงต้องเอาธรรมคือความจริงเป็นขั้นๆ้นเข้ามาแก้ความจริงในเบื้องต้นที่จะแก้ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกมีอยู่เต็มร่างกายทั้งเขาทั้งเราเต็มไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอันใดแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอานมีแต่เต็มเปด้ยวยของสปกปรกโรคลุงหลังหมดทั้งร่างทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ําๆซากซาก ถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆด้วยการพิจรารณานี่แหะคืองานของจิตงานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งตั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นของสวยของงามว่าเป็นของน่ารักให้ชอบใจให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่นามปล่อยวางความยิดมั่นถือมั่นอารมณ์เครื่องผุดฟันจิตใจเข้ามาได้โดยลาดับเพราะวิปัสสนาในขั้นนี้ วิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งรู้แจ้งไม่เช่รู้แบบมัวมัวแบบลุ่มหลงหลงรู้จริงๆในขั้นนี้ก็เห็นจริงตามนั้นเรียกว่าอสุภะวนได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อชำนาญเข้าจริงๆแล้วมองดูคนหญิงชายนี้มันจะไม่มีหนังทั้งๆีิออกหน้าออกตาตกหน้าตกตาบุรุตาฟางมาเป็นเวลานานแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปทราบเข้าไปโดยลาดับ จนกลายเป็นความชำนานแล้วหนังจะไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกสุดท้ายก็เป็นโครงกระดูกเดินหยอกยอกยอกมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นนั่นคือความชำนานของปัญญาจากนั้นแล้วก็สลัดโครงก ร, กระดูกนั้นออกไปหรือร่างนั้นออกไปสลัดอยู่ภายในจิตรู้เท่าทันทั้งสิ่งนั้นด้วยรู้เท่าทันทั้งจิตผู้ไป พิณิพิจารณานั้นด้วยในสองเงือนนี้บวกกันเข้าจิจถอนตัวออกมานี่คือความอิ่มพออย่างการพิจารณาเรื่องร่างกาอิ่มพออย่างนี้แต่เคล็ดลับนี้เราจะไม่พูดพูดแล้วพูดมีเจตนาเป็นธรรมจะไปหมายโดยอย่างละเอียดละเอียดพูดไปเป็นธรรมก็จะเอาอุบายเหล่านี้ไปจับใจ้ายจินยิ่งเร็วร้ายยิ่งกว่าอะไรที ท่าพิจารณาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเคล็ดตรงนั้นที่ว่านั้นจะรู้เองขอจะพิจารณาให้จริงให้จังเมื่ออสุภาอสุพันธ์ชำนานแล้วมันจะไปไหนมันไม่เข้ามาถึงตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหนเมื่อเข้ามาถึงตัวจริงนี้ตัวจริงนี้มันเป็นตัวอะไรคือมันตัวเหตุมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ทราบกันได้อย่างไรการที่เจอเอาให้จริงให้จัง ให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหน้าที่การงานประจำาอืออยาบทของตน อ, อยาได้ลดละจะเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะรื้อถอนเนาให้พ้นจากทุกสิ่งนั้นมีแต่พอจะกดถ่วงลงให้จมลงไปโดยลาดับไม่เห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแข่งทำได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแข่งทำได้ นล้วโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งธรรมานานแล้วธรรมที่ว่าเคยประเสริฐก็ไม่ประเสริฐแต่นี้ธรรมเป็นของประเสริฐมาดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมด้วยเพียงแต่สัมผัสสัมพันธ์รสชาติแห่งธรรมเพียงเล็กน้อยก็หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาเช่นจิตมีความสงบเย็นภายในใจทําไมจะไม่หูแจ้งตาสว่างขึ้นมาศรัทธาความเพียรจะต้องเพิ่มขึ้นโดยลําดับเป็นอาจจะเป็นกลายเป็นอาจาัจฉรศรัทธาความเชื่อมัน่นฝังลึกถอนไม่ขึ้นนี่ เพราะอำนาจแห่งรถของธรรมนั่นแหละทำให้เกิดเป็นอจนาจารณาสัทธาเชื่อมั่นตังแน่นจนถอนในขึ้นได้เพราะรถแห่งธรรมรสจิเรตจะเคยฝังลอกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมาสู้รถของธรรมไม่ได้ในการพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยจากนั้นจะพิจารณาเป็นาธาตุเป็นขันธ์อะไรแล้วแต่ความถนัดของของตนเถอะ เมื่อสติปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นเไม่งั้นจะเรียกว่าปัญญาได้งไงความพิดแพงเปลี่ยนแปลงย้ยอนหน้าย้อนหลังขึ้นอยู่กับปัญญาหมุนช้าหมุนเร็วเป็นไปเพราะความทำนานของสติปัญญาไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ลำบากลำบากอยู่มากไม่ใช่ลำบากธรรมดา ดีไม่ดียังไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ทําความคาดความหมายคาําในคําว่าลําบากนั้นมักจะมาเป็นอุปสรรคเพื่อการดาเนินเสียมากกว่าจึงดําเนินไปไม่ได้นี่แหลคัญและที่ว่าเหล่านี้คืออะไรก็คือกลนุบาของกิเลสหลอกเราอยู่นั่นแหละไม่พ้นจากสิ่งนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสนี้แหลมคมไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้น จะเหนือกิเลสได้จึงจะรู้เพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรู้ทันหมดนอกนั้นไม่มีทางที่จะรู้ทันกิเลสได้อนึขั้นของปัญญาในรูปปักขันเวทนาขันสัญญาขันทั้งขานขั น, ข น, ขนก็ไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาแล้วพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณจอลงไปขันใดจอลงไปเถอะ ขอให้เป็นความถนัดใจเป็นความสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มของการพิจารณาเถิดจะวิ่งเข้าถึงกันหมดมันใช่ว่าพิจารณานี้เนี้ยจะพิจารณานั้นเช่นอย่างพิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาเวทนาอันนี้ก็ผิด<ม>คือการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เรียกว่ารูปประขันนี่ละหมายถึงส่วนหยาบที่จะแยกแยกให้เป็นอสุภอสุพังเข้าไป แต่ขณาดที่เราจะพิจารณาเวทนาเช่นทุกขเวทนาซึ่งมันเกิดขึ้นในขันนี้เราจะพิจารณาตั้งแต่รูปประขันอย่างเดียวไม่ได้เวทนาขันซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอยู่นั้นจะต้องเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดพิจารณาทั้งสองด้านทั้งเวทนาด้วยทั้งรูปด้วยทั้งจิต ด, ด้วยน่ะเช่นทุกขเวทนาเวลาเจ็บไา้ได้ป่วยหรทุกขมากมาก แล้วจะิจะอะไรพิจารณาก็ต้องเอาความทุกข์นั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาแล้วนะทุกข์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่กายกายก็ต้องกลายเป็นเป้าหมายไปด้วยคือเป้าหมายแห่งการพิจารณาไปด้วยกันภาษาประสานกันสุดท้ายก็วิ่งเข้ามาถึงจิตจิตเป็นตัวการตัวสําคัญตัวหลงเพราะมีสิ่งพาให้หลงพาให้ยึดพาให้สําคัญมันม่นหมายมันอยู่ที่กายแต่สําคัญว่ากายเป็นนั้นเวทนาเป็นเวทนาพิจารณาเข้าจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากาย เขาไม่รู้คํามหมายของเขาว่าเขาเป็นกายทุกก็ศักิ์กแต่ว่าทุกอืมเขาไม่รู้คํามหมายขอเขาว่าเป็นทุกและเขาไม่รู้คํามหมายว่าเขาได้ไปให้ทุกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแก่สิ่งใดนอกจากจิตซึ่งเป็นตัวสําคัญเท่านั้นเืลาพิจารณาทั้งสองอย่างคือกายเวทนนาแล้วต้องได้ย้อนมันย้อนมาเองพิจารณาตัวจิตทั้งสามอย่างนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแล้วย่อมปล่อยว่า ถึงทุกขเวทนาจะเกิอดอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงจิกกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ได้มีความสําคัญว่าตนเป็นทุกข์หรือเป็นอย่างใดเลยนั่นอำ น, นาจของปัญญาแยกแยะกันเช่นนี้มีเวลาที่จะพิจารณาให้ค้าคล้ากันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปปัจขันธ์เช่นอสุภัสุภังก็พิจารณาไม่ใช่จะไปแบบเดียวไปหน้าเดียว การพิจารณาเวทนาที่แบบลำดับไปจากรูปกายนีหมายถึงลำดับจากอสุภะอสุภังร่างกายนี้ได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจนปล่อยวางกันหมดปัญหาแล้วเรื่องเวทนาครับจิตีที่นี่เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไปเองเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเข้าถึงกันสัญญาสังขารเพราะสติปัญญาไป ร, รวมตัวอยู่ในจิตหมดแล้ว ทังขานปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิตสัญญาหมายออกไปก็ไปจากจิิตเนี่ยเมื่อสติปัญญาก็อยู่ที่นั่นแล้วทําไมจะไม่ตามกันให้หิ้วแจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงต้องตามกันทันทีทันทีทันทีตามกันไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีแต่เรื่องภาพของขันที่แสดงตัวหลอกเราอยู่โดยลําดับลําดามามันเห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี่หนักก็มีแต่สัญส ญ, ญาความหมายเป็นภาพทั้งขานปรุงขึ้นมา ภาพนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจซึ่งเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วแต่มันมาครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจมาเป็นทัายาลมภายในจิตใจใจก็เพลินไปตามนี้เพลินไปทางโศกเพินไปทางสุขมันเพิินต้องมันเล่นหลงเงาของตัวเองตื่นเงางตัวเอ ง, งตุกตามันอยู่นี่ไม่รู้ แล้วก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วเกิดขึ้นมามันก็ดับไม่ว่าจะอาการใดเรื่องใดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับได้อะไรไปจากสิ่งนี้เราไม่เห็นมีอะไรสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นปัญญาอย่างเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความเกิดความดับไม่พ้นจากความที่เป็นภาพไปจากจิตจิตไปจากขัดมันไปจากขันขนี่สัญญาขันสังขารขันมันปรุงหลอกจกิตใจ เมื่อพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทบทวนหลายครั้งในผลเป็นที่เข้าใจโดยลําดับดับจนกระทั่งปล่อยกันได้เนี่ยก็สัญญาหมายออกไปแป๊มันก็ดับเอาจริงเอาจังอะไรกับมันให้มันหลอกดอ้วยอะไรนักหนาเนี่ยสังขารกระปรุงยบแยบเหมือนแสงหง้อยเหมือนฟ้าแมบนี่แยบแยบดับดับดับเนี่ยก็มีทั้งนี้วิญญาณรับทราบจากสิ่งมาสัมผัสภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับอายุรนาภนัยคือตาหูจมูกทิ้นกาย มันก็ดับไปดับไปในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผ่านไปดับไปนี่มันมีอะไรได้อะไรมีเท่านี้ไม่เลยยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่านี้เราไปหลงอะไรว่ามันเป็นของพิเศษทําไมไม่มีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับอาการของขันที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งมันลอกกิตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบ้างควรที่จะเบื่อหน่ายกันบ้าง ควรที่จะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความขินมันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นต้องเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้มันปล่อยของมันเองนานยังไงเนี่ยการพิจารณาให้พอเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาดากนั้นมันก็เหลือแต่จิตอืจิตที่พิสูจน์อันนั้นก็หละมันก็ออกมาจากมันก็เกี่ยวกับสังขารแม้จะรู้แล้วมันก็ต้องตามเข้าไปหาหลัก ใหญ่ของมันอยนั่นแหละรู้เท่ามันหมดทั้งสัญญาทั้งสังขารก็ยังต้องอาศัยนิพเป็นต้นเหตุตามเข้าไปหาต้นต่อข้งหนเดินกระทั่งถูกทางทลายลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละจอมไตรภพทางกระจายออกไปจากหิุแล้วที่นี่ความจริงมีขนาดไหนพยายามให้ค้นให้พบแต่มนอยู่ที่หัวใจทั้งนั้น เมื่อได้เจอความจริงเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรอีกที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเป็นสาเหตุก็รู้กันมาโดยลําดับตัดเข้ามาตัดเข้ามาเป็นวงแคบเข้ามาโดยลําดับจนกระทั่งถึงขันตัวเองขันนี่ก็ตัดเข้าไปโดยลําดับเพราะเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงจิตจิตก็เป็นสมมุติอยู่ด้วยอำนาจของวิชาตันหามันอยู่ภายในนั้นอีกก็ตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปเมื่อหมดสิ่งเหล่นี้แล้วเกิดที่ไหนจิตที่นี่ทำไมจะไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้ว เรื่องมันพาให้เกิดก็ตัดเข้ามาเดิมดับทราบถึงเลยตัดได้ไม่ทราบตัดไม่ขามตัดขาดก็ต้องทราบขาดในเดิมดับต้องทราบจนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรพาให้เกิดจิต ด, ดวงล้ ว, ว, วนนี้ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนนี้ไปเกิดได้ยังไงมันเป็นาฐานะมันก็รู้อยู่แล้วแต่ก่อนเป็นฐานะที่เหมาะสมกันกับการเกิดการตายมันก็รู้เพราะกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดอกิเลสสิ้นไปเท่านั้น มันก็หมดยุติเรียกว่าวิวัตตานะฮะแต่ก่อนเป็นวัตต์หมุนติวต้วติ้วอย่างนั้นเพราะยิ่เล็สิ้นสุดจากใจลงโดยประการทั้งปวงแล้ววิวัตะ์ก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเศษไม่เศษก็ตามรู้จริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผู้เป็นเช่นนั้น <c oughs> นี่แหละท่านบอกปฏิเวทป <c oughs> ริยัติเราก็ได้เรียนมาแล้วพอเป็นกุยหมายป้ายถ่าน ปฏิบัติดําเนินตามที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วท่านสอนว่ายัางไงให้พิจารณาตามที่ท่านสอนอ๋อพิจารณาเจรสาลโหมานะขาพันพาตาตะโจมันเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันเต็มอยู่ในร่างกายเหล่านี้ล่ะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราได้ดูกันแล้วยังดูให้มันเห็นความจริงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วมันก็ปล่อยเข้าหมั น, นี่เป็นเป็นปฏิเวทะโดยลําดับลำดับลําดับตั้งแต่ขั้นเริ่มีรยจนกระทั่งถึงเป็นปฏิเวทะรู้แจง้งแทงทะลุหมดทั้งาธาตุทั้งขันทั้งจิตใจ ไม่มีสินใดเหลือแม้นิดหนึ่งเนี่ยรววู้แจ้งแทงทะลุเป็นปฏิเวทธรรมเต็มผูบทวันนี้โรธก็ดับทุกภายในจิตใจอย่างสนิทเพราะสมุ ท, ทยัยสิ้นสุดตรงไปแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ผลของงานแห่งเพศของเราผู้ปฏิบัติมีเป็นเป็นงานนั้นสำคัญดลังที่กล่าวมาแล้วและเป็นผลนั้นสาคัญที่กล่าวอยู่ขณะนี้ จะเกิดขึ้นภายในตัของเราผู้ประกอบงานใช้ชนะชนะอะไรขอพูดความแพ้จิเลกิเลตมาอย่างราบตลอดสายนั้นเองหาความชนะไม่ได้มีชนะเข้าไปโดยลําดับๆจนกระทั่งชนะอย่างเด็ดขาดเอกจากเทมัตตานังสเสวสัสงรา ม, มชุตตโมการชนะตนเพียงกิ่เลตของตนหรือชนะตนยิ่เลสภนธุใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เท่านั้นแทนความเลิศประเสริญยิ่งกว่า การชนสงครามทั้งหลายดังโลกที่เป็นมาเป็นไหนๆนี่นี่เราคําเลือดแท้ๆอยู่ที่ตรงนี้เยกันจาเชยมัตานังเสวะสร้างรามชุดตมโมความประเสริฐจริงๆอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ประกาศขึ้นที่นี่ไม่ได้ว่าประเสริฐที่ไหนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมมันเป็นธรรมชาติทั้งหมันหาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปล่อยวางใจลงไปได้พอที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้สะดวกสบายหาที่จุดไหนไม่เห็นมิ มีแต่กองนี้จังทุกขังาตาเต็มตัวเกาะเข้าตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นฮเราไปเพื่อเพลินกับอะไรมันเมื่อมันมีแต่กองเพนกองไฟเพื่อเพลินกับคาํามภาคความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟนี้ออกแล้วน้ําคือความเย็นอามาตะธรรมไม่ต้องถามมันคงเป่งอยู่ในนี้เหลยทีเดียวเี่ยผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอยากจะพยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นพัศน์กำลังความสามารถไม่มีลี้ลับ ผมเปิดอย่างเต็มที่ด้วยความเม่ตาสงสารเพื่อนวิธีการดาเนินเป็นมาอย่างไรอย่างไรสูงบ้างต่ำบ้างตามกําลังความสามารถของตอนที่ดำเนินมาทั้งฝ่ายเหตุฝผลไม่เคยปิดบงดังลี้หลับแสดงให้ทางทุกแง่ทุกมุมอุบายจะพ่ออย่างยิ่งอุบายวิธีการต่อสู้กิเลสให้ทันกับคนมายาของกิเลสนี้จะย้าแล้วยำ้ำเราเพราะมันสําคัญมากทีเดียวยากที่จะรู้ตามมันทันคนของมายาของมันหมดทั้งตัวมีแต่เรื่องของกิเยส พ่อมล้อมอจนมองหาคนมองหาพระทั้งองค์ไม่เห็นเห็นแต่เรื่องกิเลสล้อมอยู่หมดมันจะไม่โมโหมัหน้าโมโหโได้ยังไงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์คอแนะนําสั่งสอนกระแสต้องทำแทะเขาไม่ได้ถูกกิเลสปัดป้องออกหมดตีต่อยองออกหมดเจ้าของยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งพอทำแทรกเขาปั๊บกิเลสปัดปุ๊บเรื่องความเสื้อซ่านั่นแหละกิเลสตัวเสื่อซ่าก็มีตัวหนึ่งมันให้ให้เสื่อซ่า สติปัญญาไม่ทันว่าอย่างนี้เคลื่อนไปอย่างนั้นว่าอย่างนั้นพลาดไปอย่างนี้อยู่ ง, งั้นมันจะไม่เต็มตัวของเราไงอพลาดก็พลาดหมดทั้งตัวเผลอก็เผลอหมดทั้งตัวหมดทั้งใจแล้วจะว่าไม่เต็มไม่เต็มตัวอย่างไงนี่ทำแทรกไม่ได้เลยที่ทำให้จริงเราจะเห็นของจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นของจริงเต็มส่วนแล้วหายสงสัยอดีตอ น, นาคตปลดเปลื้องไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่า ไม่มีสิ่งทำว่ายึดว่าถือพอตัวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องยึดยึดทําไมหาอะไรเป็นลักธรรมชาติของตัวเองแล้วการอนุรักษประโยชนเป็นอย่างนี้ท่านผู้ใดที่เข้ามาศึกษาก็าให้ศึกษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีให้ฟังฟังให้ถึงใจแล้วนําไปคิดไปพิพจารณาตาดูให้ถึงใจเป็นการศึกษ า, าหมู่เพื่อนทำยังไงดูนี่ ค, คือว่ามาศึกษาไม่ใช่บอก มาฟังโอวาทนาโมตัสสอนอย่างนี้จงึงเรว่ามาฟังาการอบรมโดยถ่ายเดียวทางหมอดอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ให้เกิดควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ให้เกิดจะเกิดขึ้นทางสติปัญญาที่เราได้สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นเข้ามาพิจารณาจนเกิดเป็นผลเป็นประโยชน์สมบัติของเรากายเปนสมบัติของเราขึ้นมาก็าให้รู้ให้เป็นไปโดยลำํำดับจึงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกดูแบบฉบับของหมู่ของเพื่อน ให้มีทำเป็นแนวเดินแนวทางแห่งความคิดการพูดการปฏิบัติต่อกันอย่านํากิเลสเข้ามาเป็นขวากเป็นน้ําเป็นเขี่ยวเป็นเขามากัดมาขีดมาฟิดมาชนกันนั่นเป็นลักษณะของหมาของวัวของฝวายไม่ใช่ลักษณะของผู้มีธรรมเฉพาะ อ, อย่างยิ่งไม่ใช่ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอยานา่านํามาใช้เราตั้งใจจะมาฆ่ามันอยู่แล้วทําไมจะมาเสริมเที่ยวเสริมฟันให้มัน นี่ก็ไม่ทันมันอีกถ้ามันเหยียบย่ำเอาอีกน้ำ ม, มัดระวังความเมตตาสงสารต่อกันละกันความเป็นธรรมต่อกันนั่นแหละคือลูกศิษฐาโคตลูกพระศิษาคตเป็นอย่างนั้นให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลามีความเป็นความถูกต้องอยู่ด้วยกันมากน้อยเป็นผาสุกทั้งนั้นต่อวันนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายทุกท่าน